ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยลาลัยศรีปทุมกาลังนำเสนอเรื่องสมาธิสูตรอันเป็นปรมเทศนาที่พระสารีบุตรเทระได้กล่าวถามปัญหาในลักษณะที่เรียกว่ากเทตุกามยตาปุชา คือถามเพื่อจะอธิบายชี้แจงแสดงให้เกิดความเข้าใจหากว่าผู้ถูกถามตอบไม่ได้คำถามในลักษณะ น, นี้พระพุทธเจ้าก็มีรับสั่งถามบ่อยเขาเรียกว่ากเทตุการมยตาปุจฌาคือถามเพื่อตอบให้ฟังการถามจะเป็นการกระตุ้น เป็นการดึงความคิดของคนเขาหาประเด็นที่ต้องการอธิบายขยายความพระเทระได้เน้นไปในคำว่าสมาธิธิโดยทัางกล่าวว่าคุณที่เรียกว่าสมาธิธิสมาธมาิธิดังนี้เวกีประการนะคุณพระยส า, าวกจึงจะเป็นผู้มีความเห็นชอบ มีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอนแคลนได้มาสู่พระสัธรรมนี้แล้วคือเราเห็นว่าคำถามที่เน้นไปที่ตัวสมาธินั้นคือไม่ใช่สมาธิธรม ร, ธรมดาธรรมดาเพราะว่าถ้าจะให้เกิดความเจตนาเลื่อมใสที่ไม่ถูกโยคลอน คือมั่นคงไม่หวั่นไหวเนี่ยที่สำรวจมาลีเรียกว่าอจฉจลสถานมันเกิดได้จริงๆรเนี่ยระดับพระยะบุคคลคือโสดาบันขึ้นไปแต่ว่าสามัญชนในสถานการณ์ปกติก็จะรักษาได้อยู่จำนวนไม่น้อยเหมือนกัน ยังกล้ๆ ก, ก็เราไปสัมภาษณ์ไปสอบถามพระที่สามจังหวัดภาคใต้ถามว่าเป็นไงกลัวไมยท่านก็บอกว่าจะว่าไม่กลัวก็ไม่ได้แต่ว่าถามคิดจะหนีไหมท่านบอกว่าไม่หนีหรอกเพราะท่านหนีแล้วไม่ต้องตายเ น, นี่ยก็่า้จะหนีแต่หนีแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ตายเหมือนกันคือไม่จาเป็นจะต้องหนี ประบวตอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้ารสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้ามันก็ดีกว่าชีวิตที่ไร้ค่าจ็มีข่าวเกี่ยวกับพระถูกยิงในขณะที่กังเทศคือว่าที่จริงเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ถามว่าจะมาเคยประสบไหมที่จริงก็เคยประสบนะฮะแต่เราชื่อเฉยคือรู้สึกชื่อเฉยวลาการลักษณะนี้อย่างน้อยในชีวิตที่บวชมาเราเจอมาสามสี่ครั้งแล้วมีครั้งหนึ่งกับังเทศอยู่นี่ตอนนั้นความริดแรงคือเสียงกระสุนนี่ผ่านหูไปเลยบางอยู่บนธรรมะ อย่าโดมตกตะลึงพึงเพลิดกันบอกว่าจะเย็นเย็นอยู่ไม่มีไรหรอกเราก็เทศต่อไปจนจบเทศตีไปตั้งชั่วโมงกว่าคือมันมันไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรหรือเขาจะยิงหรือไม่ยิงอ่ะถ้าเราถึงคราวตายเราก็ตายเพราะในการปลูกฝังศรัทธาเนี่ย คุอคนเราถ้าอยู่ยังมีหลักการมีอุดมการความตายของคนที่ทำดีเนี่ยมันไม่มีไม่มีพิเศษอะไรมันก็เหมือนกระยาจากกระต้อไปอยู่ปราศาสตร์ไม่ได้เห็นแปลกอะไรเพราะสมาธิินี้จึงเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่นะคือคนต้องระดับพระยาบคุคคลจึงจะมั่นคงจริงๆ าสามัญชนอย่างมานี่เป็นสามัญนะฮะคือไม่ใช่ประยะบุคคลเดี๋ยวเราก็เราก็เฉยๆเรื่องเหล่านี้ก็ได้ข่าวเจ้าวาดที่นคนปรปฐมกว า, างเทศวันธรรมสนะรวันที่สิบแปดกันยาที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าถูกยิงตายบนธรรมมาตเลย คิดว่าที่จริงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจิตท่านอยู่ด้วยธรรมะท่านคิดธรรมะท่านพูดธรรมะท่านแสดงธรรมะท่านปฏิบัติธรรมะท่านตายในขณะที่กายวาจารใจท่านอยู่กับธรรมะใจท่านก็ปองใสเพราะฉะน้นคนที่น่าสงสารใครเป็นคนยิงนะฮะประบักรรมเยอะนะ เขาเรียกว่าประหารพรามเป็นบาปมากแล้วคงจะอยู่ไม่เป็นสุขในชาติปัจจุบันแล้วก็คงต้องเจอผลกรรมเหล่านี้อีกนานนี่เพราะอะไรเพราะความเห็นเธอเป็นสมยเป็นมิจฉาทิฏฐิคือถ้าคิดจะเป็นสมัมมาทิฏฐิสักหน่อย สมมติว่าเราโกรธพระรูปนี้จริงก็เพราะขัดขวางผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการจะไปเผยแพร่สิ่งเจ็บติดภายในวัดจะวา ด, วดทางก็ไปยอมซึ่งก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วตนก็ฆ่า่ดยบาปที่จำหน่ายากเสพติดทึงก็เยอะแล้ว และวบาปฆ่าพระอีกก็เพิ่มบาปชีวิตก็อยู่ได้อีกกี่วันในสุดเราก็ตายพ่นตายด้วยบาปนี่มันไม่ใช่สนุกนะสังสารวัตรนั้นจะเดือดร้อนยาวนานพระสมาธิจึงเป็นฐานเป็นฐานที่ถือว่าสำคัญในกุศลก็หมดอย่างที่เราเจอบ่อย พระกุศลกำหนดที่มีสิบข้อนี่ที่เคยบอกว่าเป็นมนุษยธรรมหรือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่าเป็นแสดงถึงพัฒนาการของปัญญาที่ผ่านประสบการณ์ตรงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแยกย่อยรือหลักของโยในโสมนัสิกาน ผลความเห็นก็ท่านจึงสอบทานเทียบเคียงแล้วมันยุติ้ดยหลักกฎหมายด้วยหลักศีลด้วยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมัญญัิแล้วก็แสดงไว้กฎหมายเองก็ที่จริงอนุรูปแก่ศรรีลอนุรูปแก่ธรรมมันไม่ได้ออกนอกศีลนอกธรรมไปหรอกแต่เป็นการเสริมศีลธรรมให้ มีความหนักแน่นบางคนพงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าศีลเนี่ยไม่ใช่มาตรการลงโทษธรรมะมันเป็นกฎของกรรมแต่กฎหมายเนี่ยมันมีคนที่จะจัดการลงโทษแล้วก็บอสมสำหรับชายแก่คนที่เขาเรียกขีเรียดยับบาปนาะ ในกรณีนี้พระตอาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าสมาธินอกจากที่ได้กล่าวนิยามไว้ในวันก่อนนะว่าสมาธิมันก็มีอยู่สองช่วงช่วงหนึ่งเป็นโลกิยะสมาธิซึ่งสูงมากเหมือนกันนะ คือจิตมันเข้าสู่สัจญานุรมยกายานเป็นวิปัสนาญาณข้อที่เ้าเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนาการรมฐานจนจิตมันน้อมเข้าหาอาเดียสัตมีการกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทําให้แจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมักแล้วก็ท่านมาสรุปว่าสมาธิมีสามระดับ ระดับปุตุชนระดับพระเสขะประเาเสขะแต่ตอ น, นี้ประเสขะกับประเสขะเนี่ยเสขะแปลว่าผู้ยังต้องศึกษาอัเสขะแปลว่าผู้จบกิจแล้วไม่ต้องศึกษาแล้วที น, นี้ถ้าท่านอยู่แค่สองข้อหมายความมรการญาณปุตุชนก็ต้องอนุโลมเข้าที่พระเสขะเพราะทำไมาอย่างนั้นพุทธศาสนิกชนก็หลุด หลุดออกไปจากกรอบของการศึกษาประเด็นปุตุชนแท้ก็ศึกษาแล้วกาลังศึกษาแต่ก็ยังไม่สู่ไม่เข้าสู่กระแสของพระนิพพานอย่างประสถบัณฑ์ถ้าในกรณีนี้ก็ถือเป็นการแยกออกไปสมาธิถิระดับปุตุชนก็มาถึงสัจจานุงรงมกายานจากกรรมสกตายานมาจนถึงสัจจานุโรมิกายาน ทีนี้ในจำนวนทั้งสามประเภทนั้นเนี่ยปทุทุชนท่านก็แบ่งเอาเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าพาหิรากะชนคือชนนอกศาสนานอกพระพุทธศาสนาซึ่งแน่นอนที่เราบอกว่าท่านท่านเห็นผิดนะท่านก็อาจจะเข้าใจว่าท่านเห็นชอบ เพราะในการสมาธิถิมิจฉาทิติในระดับนี้เดมก็ค่อนข้างพูดกันยา ก, กนะเพราะมาศในการวัดมันแตกต่างกันศา ส, สนาเทวนิยมเนี่การกระทําอะไรก็ตามที่ยุติด้วยการพอพระไถยของพระผู้เป็นเจ้าการกระทํานั้นเขาก็ตัดสินบด่ดีแต่การกระทยทําอะไรก็ตามที่ ไม่เป็นที่ศพอารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้าก็ถือผิดประเด็นถามว่าเขาเห็นชอบไมยเขาก็บอกเขาเห็นชอบแต่ว่าสัมมาทิฏฐิในเขาเรียกว่าศส า, สนนสาสนาพุทธเนี่ยก็เป็นสัมมาทิฏฐิดังที่กล่าวแล้วคือมาเริ่มจากความเป็นชอบในกฎของกรรม แม้แต่ในสมาธิที่สิบที่เราเจอบ่อยเพราะว่ามันเป็นหลักของกรรมกับหลักของสังสารวัฏและกตถาคตโพลธาเราจะเจอบ่อยเพราะอะไรเพราะว่ารับใดที่เรายังเป็นปุตุชนอยู่นี่ระบนั้นวิถีชีวิตของคนดีจะอยู่ในแวดวงของสมาธิที่สิบข้อนี้ แล้วออกจากกรอบไม่ได้ด้วยนะออกจากกรอบแล้วก็เป็นอกุศลเพราะว่ากรอบเขาใหญ่มากยอมรับบักการให้มีผลการให้เองก็แตกโลกออกไปเยอะการบูชามีผลก็แตกโลกออกไปเยอะพฤติกรรมต่างๆมีผลก็แตกโลกออกไปเยอะ การกระทําดีทําชั่วมีผลไอ้ น, นี่ก็มาสารเลยแม่มีคุณพ่อมีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีสาติที่ตายแล้วเกิดมีอันนี้ก็กรอบใหญ่มากแล้วก็มาสรุปที่ท่านผู้สตุรีสตรุสตรุชอบดูตัวเองนะ้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามนั้นมีอยู่คือตถาคตประภูสัทธาเพาตัวนี้จึงถือเป็นลูกใหญ่กรอบใหญ่มาก ขอบขายของการละบาปประเป็นบุญทั้งหมดก็มาอยู่ที่นี่ก็เป็นระดับโลกเกียธรรมที่นี้ในความเป็นผู้ตุชนคือคือคือภายภายละกินชนคนนอกศาสนาคือศาสนาพุทธก็เป็นกรรมวิธีมันไม่ได้ตัดสินคนที่คุณนับถือศาสนาอะไรแต่ตัดสินว่า คุณเชื่อกฎของกรรมไหมคุณจะเรียกยังไงก็ไม่รู้คุนเชื่อในการทําดีได้ดีหรือช่วได้ช่วยไหมประการสาคัญเนี่ยก็ได้กรรมวารทีกับวิริยะวารทีความเพียรพยายามของคุณนั้นสามารถป้องกันบาปละบาปเพิ่มพูนความดีรักษาความดีได้หรือไม่ถ้าได้ก็ถูกต้องถูกต้องระดับหนึ่ง เขาเรียกว่าเป็นไม่ห้ามสวรรค์แต่ก็ห้ามนิพพานเพราะว่าอย่างไงท่านก็ยังมีความมิดผิอยู่ทีนี้ในส่วนของพวกเหล่านี้ที่เชื่อถือของกรรมก็ชื่อว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้มีความเห็นชอบคือเป็นสมาธิกับบุคคลเหมือนกันเช่นเช่นเห็นว่า สัตว์ต่างหลายมีกรรมเป็นของของตนแต่ว่ามันไม่ใช่ระดับอนุโลมมิเกยานสัจจานุโลมมิเกยานนะเพราะว่ามันไม่น้อมก็สู่กระแสของอริยสัจเพราะอะไรเพราะอริยสัจเนี่ยมันถ้าเห็นอริยสัจเนี่ยคือเขอนับเห็นที่ปุสโธดับันเห็นจริงนะทีนี้菩萨านุโลมมิเกยานมันก็ใกล้มากแล เพราะมันจะถ่ายถอนอัตตานทิชิคือความเห็นเป็นัวเป็นตนออกไปแต่เนาก็จากไปคลายไปบรรเทาไปแล้วปัญจจะ ถ, ถึงว่ามันไม่อยู่ในกลุ่มของสัจจ า, านุโลมิกายนทีนี้ส่วนความเห็นของพุทธศาสนิกชนที่เรียกว่ า, าศาสนิกชนเนี่ยกอนนี้ต้องฟังลองสังเกตนะคือคือถ้าในคำพีรพุทธศาสนาเนี้เราไม่เรียกว่าพุทธศาสนิกชน เราเรียกส า, สาสนิกระชนเฉยเพราะในคำพูดบางบางอย่างเนี่ยเราต้องมองประวัติศาสตร์ต้องมองให้พอส อ, อะไรมันไม่ใช่ว่าเราพศออคำพูดของคนโบราณซึ่งซึ่งในสังคมไทยท่าบทท่าโบราณเนี่ยนะคำวมาศาสนาคือพระพุทธศาสน า, ศาไม่หมายถึงศาสน า, ศาอื่น เพราะฉะนั้นใ น, ในความหมายตรงนี้ถ้าเรามาพูดในปัจจุบันมันก็ไม่ได้แต่เช่นเช่นเราจะพูดว่าสีขาวหมายถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยการบัญญัติรือตรงๆเนี่ยมันอยู่ในการสร้างทงไตรรงของรัชกาลที่หก แต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าสีขาวนี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนามนว่าอะไรของเราเลยขาวทั้งนั้นนะสุขธรรมทำขาวเลยแล้วก็คนที่อยู่ในเขาเรียกว่าทำขาวฝ่ายขาวเนี่ยก็ เ, เรียกฝ่ายขาวฝ่ายกุศลทั้งทั้งหลายเนี่ยตลอดถึงญญเป็นสัญลักษณ์เป็นไม่ชีก็แต่งชุดขาวเป็นส กขาเรียกชีประขาวเขาแต่งชุดขาวบัสมุกบัซิกาเข้าวัดก็แต่งชุดขาวดอกบัวบูชาก็มีดอกบัวขาวและแไรต่างๆนี่แต่ว่ามาพูดเป็นเรื่องเป็นราวสีขาวสีสวัสดหมายพระใจรัตละทรมาคุ้มจิตไทยเนี่ยมันหมายเมื่อราชการที่หกแล้วก็เราต้องดูต้องดูโพสต์ดูกาเทศะแต่ว่ามีความเป็นมาในแง่มุมของประวัติศาสตร์ มันไม่จะตั้งขึ้นแต่เป็นการสืบสารความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ในประวิศาสตร์เพราะเรื่องของสมาธิในกลุ่มของาศาสนาสิทชนที่ท่านชายในที่นี้ท่านจริงไม่ได้บอกพระพุทธศาสนิกชนแต่ว่าวิธีการพูดในพระพุทธศาสนาเนี่ย มันจะยืนยันอย่างหนึ่งแล้วก็พิเศ ษ, ษอีกอย่างหนึ่งเช่นสมมุติว่า <c oughs> จีวรของพระนี่มีผ้าเขาเรียกว่าไ <c> ส <oughs> จ, จีวรกับใ่เด็กก็จีวรท่านต้องการให้พูดฝังง่ายเนี่ยท่านบอกว่านอกจากจีวรอธิษฐานแล้วเหลือจากนั้นเป็นอธิเด็กจีวรกี่พื้นไม่ต้องนับมันหรือเราพูดว่านอกจาก นอกจากรู ป, ปขันแล้วเหลือจากนั้นเป็นนามาขันเท่าไรก็ได้นับไปคุณดูออ ก, กแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่ที่เป็นรูปเนี่ยคือสิ่งที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเหลือจากนั้นเป็นนามเพราะในการการนิยามอย่างเงี้ยมันมันจะทำให้จับประเด็นได้ง่ายแล้วก็ มันมีนิจฉัยาแต่ละขณะที่เราสัมผัสโดยไม่ถึงไปติดท่องอะไรมันตียเวลาคือใช้ความเข้าใจเพราะหนังสือนี้เป็นเป็นคำภีร์ของพุทธศาสนาพระอาจาย์นั้นเป็นพระาอาจารย์ในพุทธศาสนาเพราะนั้นก็เรียกแต่เรียกว่าศาสนิกชนถ้าเรียกปัจจุบันก็คือเรียกว่าพุทธศาสนิกชนแต่ว่าในหมู่ชาวพุทธเองเราก็เรียกว่าศาสนิกชน ก็หมายรู้กันมานับถือพระตุธศาสนาแล้วก็ในความเห็นของศาสนิกชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิกับบุคคลเหมือนกันแต่ก็เห็นทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นกรรมสกตายา น, นยและอนุโลมยาน เพราะยังลูปคลมด้วยเรื่องอัตตาอยู่แล้วก็ยังละสกัดลทิฏฐิไม่ได้เพราะงั้นเราจะเห็นว่ามันยังไม่ถึงกับเกิดญาณที่ทำลายคือยังไม่เข้าถึงโสดาปติมาคคเพราะในสมาธิธ ใ, นในข้อต่อไป โลกิยะสัมมาทิฏฐิในข้อต่อไปที่จริงมันก็มีได้สองระดับระดับหนึ่งก็เรียกว่ามัคคะสัมาาสมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบในมัคตรงนี้สองขัญนะฮะคือหมายความว่าโดยทั่วไปก็คือปัญญาเห็นชอบในเหตุเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีจิงนี้จึงมีมันก็คล้ายคลกับเหตุการณ์ที่ ในการซื้อหุ้นของสองสุพิมสองฉบับเนี่ยคือรมองในแง่ของธรรมะเราก็ถือว่าแปลกก็ไม่ได้ว่าอะไรใครเราแต่เราถือว่าแปลกเพราะอะไรเพรกคนเหล่านี้ไปตัดสินอีกฝ่ายหนึ่งฮะพูดว่านายมีต่อสู้กับนายดีแล้วก็นายดีก็ชนะนายมีคือตั้งคนเส็จฝ่ายสื่อสารมวชนเป็นเป็นนายดีฝ่าย ฝ่ายคนที่มาซื้อหุ้นเนี่ยเป็นนายมีแล้วก็ชี้เ็วชี้ดีชี้ชชเ็วเลยเออก็แปลกแล้วอยู่ในระบบประชาธิปไตยบอกว่าเมื่อมีการกล่าวหาในค ด, ดีอาญาให้สันนิษฐานมาก่อนมาจำเลยบริสุทธิอ์อนี่มันไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่แปลกสังคมตัดสินไแล้วคนตัดสินเราก็สงสัยไอ้ภูมิปัญญาความคิดของมนุษย์อ่ะเออมนุษย์ก็คิดอย่างนี้ลห ถ้าไม่ตัดสินไปแล้วคุณรู้ได้อย่างไงอ่ะคือปัญหาสาคัญว่าคุณขายทำไมล่ะทำไมต้องการให้คนซื้อแต่นี่เราจะเห็นว่ามันเป็น ม, คมรคคติคือทุกอคุณต้องเห็นชอดในมากกว่าผลนี่มันเกิดมันจะเหตุคือคุณเข้าตลาดหลักทาัพย์คน ก, ก็ซื้อแล้วถ้าเราดูรายละเอียดเนี่ยเขาซื้อที่ขวารังเขาถือครองอยู่ ไอ้ตอนพระนังถือครองไม่เห็นใครว่าเลยเลยเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกจริงๆไอ้ตอนพระนางถือครองไม่เห็นใครกล้าวไวไวเลยพอคนไทยถือครองโอ้ยกลายเป็นฆาตกรรมเป็นเป็นอาชญา ก, กรรมไปเลยโอ้เห็นไหมเนี่ยคือเราจะเห็นไหมไอ้สัมมาทิฏฐิในสาคัญว่าเห็นชอบในเหตุที่จริงมันเห็นชอบในผลว่าผลเนี่ยมันเกิดมจากเหตุ ถ้าเราไม่ต้องการให้ใครซื้อหรือเราต้องการจะหยุดไม่ไม่ยอมให้ใครเข้ามาถือหุ้นมากกว่าเราก็ซื้อไว้สี่สห้าสิบเอ็ดเปเซนยืนยืนยืนที่ไว้ที่ห้าสบ็ดเอร์เซนแล้วขายได้ก็ไม่เกินสี่สบเก้าเปอร์เซนใครจะรวมหัวซื้อเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่เกินสี่บเก้าเปรเซนต์เราก็ถือหุนมากกว่ามันมัน่ น, น, นทจริงมันเรื่องง่ายมากนะว่าทําไมมันมันมันมันวุ่นวายกันเลยเกิด องสุพิมพ์ฉบับนี้มาอ่านสี่ห้าวันพูดแต่ด่าคนอื่นนั่นเองงันเลยหมดกับมังใจเลยเป็นแฟนมาหลายปีนะฮะคงจะต้องเลิอกอ่านนะ <c oughs> ก็มันก็เห็นนะคนดีก็เป็นอย่างงั้นเด็กแล้วก็ชื่นชมก็มานานเนะีโอ้คนดีก็เป็นอย่างนี้เองธรามะที่ติดึถือเป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็ต่อไปพาะสมาธิิมันมีระดับโสดาปฏิพันธเป็นต้นไปนะฮะคือผลสีเนี่ยมรสีผลสีเนี่ยแต่นั้นขณะเดียกันก็ผลนั่งหลเนี่ยผลทั่งหลเกิดมาจากเหตุเมื่อเหตุมีผลมีผลมีก็เพราะเหตุมีผลผลก็เหตุก็จะไม่ขัดแย้งกันพวกนี้จึงเป็นได้ทั้งโลกิยะและก็โลกุตระเป็นได้ทั้งของพระเสขะแล้วก็พระอาเสกขะ บัจเบกคณะสมาธิฐิก็เหมือนกันปัญญาเห็นชอบที่เกิดขึ้นจากการเพ่งพินิจพิจาณาเจาะเฉาพเฉาะเจาตจงลงไปแล้วเกิดรู้แจง้งหนจริงเกิดความเข้าใจก็เป็นได้ทั้งสองอย่างเพราะจริงๆก็คือลาาักษณะญาณลักษณะปัญญาลาาักษณะญาณ ทีนี้ท่านท่านก็อธิบายบอกว่าเสกบุคคลมีความเห็นชอบเพราะมีความเห็นชอบชี้นแน่นอนนะเห็นว่ารูปเวทนาตญาทัการวิจารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุเพนตตาเนี่ยอันนี้คือติวเห็นชอบเห็นชอบระดับมรกนะเห็นชอบของพระเสขะคือพระโสดา บ, บันขึ้นไป เพราะว่าท่านแบ่งเป็นสามขั้วอย่างที่ว่าเป็นผู้ทุชนเป็นเป็เสขะเป็นเป็นเสขะแสดงว่าก็ตัดตอนเลยตัดตอนเอาคนสามัญชนทั่วไปเนี่ยไว้ในกลุ่มของผุ้ทุชนแล้วเอาพระรยาบุคคลสประเภทคือโสดาตกิตาคานาคาเนี่ยไว้ที่เสขะแล้วอาระหันเป็นเสขะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจะแนกนะฮะขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับการจะแกนกใกล้ๆกับเราจะแนกอะไรล่ะ บายสมนุษย์หนึ่งสวรรค์6กรูปประพรม16บรูปประพรม4แต่พอเรียกเป็นคติเนี่ยคือมันเป็นทุ ก, กติกับสุ ก, กติทุ ก, กติก็คือบาย4นอกนั้นก็เป็นสุ ก, กติเพราะมนุษย์เลยเป็นสุ ก, กติไปด้วยวเวลาต้องจใจประเด็น เพื่อจะประเด็นว่าในกรณี น, นี้คล้ายๆกับข้อความมันหายไปเนี่ยเราดูที่หัวเราดูที่ตอนหายไปแล้วก็ตอนตอนข้างหลังเนี่ยพอข้อความไปยังไงเราก็มองข้อความตรงกลางได้จะเข้าใจข้อความตรงกลางได้ทีนี้ของพระเสขาเนี่ยเป็นความเป็นชอบที่ไม่ต้องศึกษาคำาศึกษาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนนะหมายถึงการปฏิบัติเป็นหลัก หมาความว่าการดำเนินชีวิตไปตามอริมักไปองแบบประการแน่นอนส่วนหนึ่งก็ต้องอ่านและต้องเรียนต้องเขียนเป็นธรรมดาแต่ว่ามันก็เน้นไปที่การศึกษาในใจสิกขาเพราะว่าพระเสขเนี่ยถึงระดับระดับพระดับพระราคามีเนี่ยี ส, สมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์แต่ ว, ว่าปัญญาพอประมาณ เราไม่ต้องต้องเป็นพระหานจึงจะสมบูรณ์หมดประสมบูรณ์หมดก็เรียกว่ากระตังการในอย่างกิจที่ควรทำแต่ทาเสร็จแล้วนาปังอิทาตายาติประชานาติติกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแต่ันในที่เนี้ประสงค์เอาผู้ประกอบไปสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระกุศลที่แน่นอนคือเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกข์ว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบเพราะว่าคําถามที่ท่านถามเนี่ย คือภาษารีบุตรไปเน้นที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัยมันมีตั้งแต่พระโสดบันขึ้นไปก็ได้โสตาปติยังคะเป็นคุณสมบัติของพระโสดบันคือศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในประธรรมในประสงค์แล้วก็ในใจสิกขา วันประสเสพระพระเถรซ์จึงได้กล่าวว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ขรนแครนไร้มาสู่พระสัตธรรมนี้แล้วพระสัตธรรมก็คือเรื่องที่จะต้องศึกษาเรื่องที่ต้องปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติแล้วด้วยนะฮะศึกษาแล้วด้วยแล้วก็สัมผัสผลระดับหนึ่งแล้วด้วยเป็นปฏิเวทระดับอย่างน้อยก็ประสดับบัน ดันสมาธิที่เป็นโลกุตระกุศนเป็นความเห็นที่ตรงเพราะไปตามความตรงไม่ข้องแวะกับที่สุดทั้งสองอย่างคือย่อ น, นเกิดไปตึงเกิดไปเพราะเราเห็นว่าถ้าปุถุชนเนี่ยโอกาสแหว่งเนี่ยมันมีง่ายเช่นสมุดถูกขู่ฆ่าหรือว่าลออ ด, ด้วย ฐานนาดอนักตำแหน่งหรือว่าล่ดโดยเงินทองต่างๆล่ดโดยอำนาจหน้าที่ต่างๆอาจจะไป น, นะฮะเรเห็นว่าคล้ายๆกันนายพลเงียนเกากีเนี่ยแกพูดนะฮะนาพลเงียนเกากีพวกเดืองบันมิ น, นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เงียนคานอะไรสมัยนั้นแะแต่ว่าประธานาธิบดี ของเวียดนามตอนนั้นเนี่ยอะไรล่ะเงียนเกาจีเงียนอะไ ร, ะไรต่างๆต่างหลายๆเงียนะก็เขาเป็นคริสตพรนั้นก็ยอมเปลี่ยนจากพุทธเป็นคริสเพื่อจะได้เป็นนายพล ฉ่นั้นเราจะเห็นว่าไอการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันคนหวั่นไหวเพราะลาบก็ได้เพราะยศก็ได้เพราะสันเสริญก็ได้เพราะว่าหวังความสุขในโลกียวิสัยก็ได้แต่ถ้าเป็นระสศดาบันแล้วเนี่ยเอาไปฆ่าให้ตายก็ก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าใจั้งไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงคือไม่มีการตกต่ำเป็นธรรมดา เอาไปฆ่าให้ตายเอาไปขูดตัดแขนตัดขาท่านทีละแขน ก, ก็ก็ไม่ไปแล้วล่อด้วยทัพย์สินคารจานวนมห า, าศาลก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพวกนี้จะไม่แกว่งไปทางทางที่สุดสองอย่างนะที่สุดสองอย่างก็ จ, จะเป็นสตตาทิฏฐิกุเฉทติอันนี้ก็ที่สุดสองอย่างเหมือนกันนะฮะแล้วก็ การมาสุขการิการนโยกอัตกิลาบัฏานโยกที่จริงก็คือันเดียวกันนะัะนนะคือการมาสุขการิการนโยคนี่คืออุเฉตทิฏฐิมาจากอุเฉตทิฏฐิแล้วก็อัตกิลาบัฏานโยคนี่มาจากสุสตทิฏฐิแม้แต่พวกอะไรละ่ะตัณหาสามเนี่ยตัณหาสามไ ม, ม, ม่ก็เชื่อมโยงกัน การมาตัณหาเพราะว่าตัณหามันก็มาจากสติติฐิคือการเห็นว่าเที่ยงวิวาตัญหามันก็มาจากอุเฉทิฐิคือคเห็นว่าขาดสูญเพราะฉะเราจะเห็นว่าพอถึงระดับพระยบุคคลแล้วพวกนี้มันลดหมดเลยดังนั้นทำให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงกันขององค์ธรรมทั้งหลายที่มีชื่อเยอะไปหมดเลย หมายความว่าเกิดด้วยกันแล้วก็ดับด้วยกันไฟหนึ่งเกิดไฟหนึ่งก็ดับไปนั้นท่านบอกว่าเป็นการตัดขาดความคดงอทุกอย่างสมาธิระดับโลกุตระนี้มีความคดงอทางกายเป็นต้นคืออะไรล่ะ เกิดการอธิบายไว้ในประธรรมบทบการปฏิบัติเพื่อลาบกับการปฏิบัติเพื่อ น, นิพพานเนี่ยมันต่างกันคือการเฏืบัเพื่อ น, นิพพานเนี่ยมันคล้ายๆกับเรามือปักตรงๆลงไปในบาศเนี่ยมันมีอาหารยมันไม่ติดแต่ที น, นี้ถ้าคุณต้องการเอาอาหารคุณก็ต้องงอมือต้องงอมือมันก็ติด ก บ, บนกอนๆอย่างนั่งคุยกันเบือกอแปลกแปลกว่าคนทำอะไรที่เพี้ยนเพียนหรือไม่แต่พระที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระวินัยอะไรแต่คนชอบฮะมันก็ น, นึกถึงสมัยเด็กมีพระองค์หนึ่งที่โอ้ยท่านเทศท่านหยาบโลนทะลึ่งตึงตังไปไหนคนตึ้งเลยนะ เทศจนแก่เท่าไแวแหละคนยังขึ้นอย่างนั้นนะฮะโดยความเราคิคนท่านก็เล้วไหลามากๆจนขนาดว่าถูกไล่ออกจากวัดอ่ะแต่ประเทศไหนคนยางชอบเออ ก, กูก็แปลกมันก็เป็นเป็นมาตวัดออคุณภาพจิตของมนุษย์อย่างหนึ่งนะฮะตื่นแสวงหากันแต่ไม่ฮะไปเอาใบเปลือกไปเอาเปลือกไปเอากับ ของต้นไม้มาดังนั้นอกาการการคดกบ ง, งอเนี่มันเป็นที่ปวดใจของคนเกิจากการสังเกตเออคนถ้าประพฤติอย่างนี้แล้วรู้สึกเขาไปได้นะเขาร่ำรวยเขาก็มีอะไรตัวอะไรเยอะเลยทีนี้ผู้ที่ประกอบด้วยทิกฐีนั้นชน่อที่ว่าเป็นประกอบด้ คือคือทิตฐิระดับนี้แปลว่ามีความเลื่อมใสไม่ครอนแครนด้วยความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในโล ก, กุตร 9, กกธรรมเก้าโลกุตรธรรมเก้าคือมรสีผลสีนิพพานหนึ่งนะฮะคือคือแล้วไม่หวั่นไหวตั้งแต่โซดาปฏิมาไปผู้นี้ประการได้ สมุดปัจจุบันก็อาจจะเรียกควันธงได้ควันธงได้ตั้งแต่ น, น, นู้นนะฮะตั้งแต่พระโสะดาบันขึ้นไปคนทั่วไปคันธงไม่ได้อริยสาวกเมื่อคลายความยึดมั่นโดยทิฏฐิทุกอย่างเนี่ยก็ละกิเลสทั้งสิ้นได้ก็ อ, อย่าลืมว่าความเห็นบางระดับเนี่ยมันมันยากต่อการที่จะละได้ขาดทีนี้ ทีนี้ถ้าถ้าเราดับได้เมื่อก็ออกไปจากสังสารสังสารทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จบการปฏิบัติจึงเรียกว่าเป็นผู้มาสู่พระสัตธรรมคือปฏิเวทสัตธรรมกล่าวคือมรรคผลนิพพานแล้วก็เป็นการอย่างลงสู่อมะตะธรรมที่ พรสมาสัพพุทธเจ้าทรงประกาศด้วยหลักของอริมักมีองค์แปดประกาศนี่คือกรอบขอบข่ายของสมานิฏฐินะทีนี้ในข้อต่อไปเนี่ยภิกษุท่านท่า น, ท, านท่านกับเปลี่ยนภาษาดิบุตรว่าแต่เท้าคราบกระผมมาทั้งหลายเนี่ยมาจากที่ไกลามาก ก็เพื่อจะฟังอถาธิบายภาษีนี้ในสํานักของไต่เท้าก็ขอได้โปรดเกล้ า, าเถ็ดครับแต่เท้านั่นแหละก็ใ จ, ใจแจ่มแจ้งเรื่องความแบ่งภาษิีนี้ภิกษุทั้งหลายจะฟังอถาธิบายของไต่เท้าแล้วจะพากาันทรงจําไว้อันนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นกเทตุกรรมยตาปุชาก็เป็นการปราลบเรื่องอคือเรื่องมางเรื่องมั น, ม, นมันไม่มีประเด็นที่จะตั้งขึ้นะอ ม, มีประเด็นที่จะตั้งขึ้น อย่างยกตัวอย่างเช่นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพระเจ้ารับสั่งว่า เ, ออเรื่องอย่างนี้เคยมีมาแล้วแน่ดิมันก็ต้องนิ่งอ่ะพิสูจน์ทั้งหลายก็อยากรู้ก็กราบทูลถามพระเจ้าก็แสดงแสดงผู้ฟังนี่สนใจจะรู้เรื่องราวเนี้ยดิว่ากลายเป็นอกชาดกชาดกกดีพิมานวัตถุ ก, กดีเปเตวัตถุ ก, กดีนะฮะแม้แต่เทรกากถาเทดีกถ า, าเป็นนันมากเนที่เกิดขึ้นจากปรากฏเรื่องเหล่านี้ แล้วพระเจ้าก็จะเล่าเล่าเรื่องราวต่างๆที่มีในอดีตการในตำนองเดียวกันเพราะนั้รสารีบุตรก็กล่าวเตือนว่าถ้าเช่นนั้นก็พวกคุณทั้งหลายจงผ่ากันตั้งใจฟังผมจะกล่าวให้ฟังพิสุรานั้นก็ตอบรับคำเตือนของท่านทีนี้พระสาริบุตรก็ได้กล่าวโดยเหตุที่อริยสาวกรู้ชัดอกุศลกับทางรากง้าวของอกุศล และรู้ชัดกุศลทั้งรากเง้าวของกุศลเพียงเท่านี้แหละคุณอริยสาวกจื่ว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนบนรรลุประสัทรธรรมนี้ได้มาสู่ประธรรมเป็นไหนนี้แล้วตัวนี้เราจะเห็นว่ารากเง้าวของอกุศลคืออะไรรากง่าวของกุศลคืออะไรคือทําให้ขยายทําให้ขยายมาก หรือจะพูดโดยสรุปรากเง้าวของกุศลตัวหลักสุดๆจริงๆอะ่ะคืออวิชารากเง้าของกุศลจริงๆก็คือวิชาทีนี้ถ้าพูดระดับรองลงมาคือแต่จริงหน่อยรากงาวของกุศลก็คือลบกุศลงเรียกว่าากุศลลมูลคือรากเง้าของอกุศลเพิ่มขวกุศลเรียกกุศลมูลก็คือโจงเงนข้ามกับกุศล พุทโธเป็นโลกปลโปรดลงอันนี้ก็คือไม่โลภไม่โปรดเป็นดงทีนี้เราจะเห็นว่าภาษาดิบุตรมีเจตนาจะไตระดับโดยวุฒิภาวะเนี่ยคื อ, คอธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยเรามองกลับไปที่ผู้ฟังได้นะถ้าฟังลองสังเกตธรรมเทศนาง่ายๆเนี่ยไม่ใจง่ายๆเลยเมื่อก่อนธรรมเทศนาต้นๆน่ะต้นๆนะที่เราเ อ, อ่ยชื่อแล้วคนคนคนรู้อ่ะ เเช่นธรรมจกักรอนัตอาชิตนรูปปกถาอริยสัจสี่ให้ลองสังเกตว่าเอานักบทด้วยกันปัญจวัคคีย์กับภูราณชดินเรามองที่อธิตะปยาสาสรกับมองที่ธรรมจักรวัตนสุรคือมีความชัดเจนว่า ท่านปัญญวิชีทั้งห้าเนี่ยมีพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานบา ร, รมีนี่สูงกว่าเพราะทำมาจากยากนะคือแต่ละข้อไม่ได้ขยายแต่ละข้อไม่ได้ใช้ขยายเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาทังกระโปรสัมมาวาจาสัมมากระวันตรสัมมาชโวว่าไปอย่างนั้นเลยแต่พอถึงอธิตตปยาจสูตรไม่ได้ว่าอย่างนั้น ดูกนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็ style. อะไรเล่าชื่อว่าสิ่ ง, ง, Mond, ท, งทั้งปวงอทั้งทั้งปวงเป็นของรอ้อนบูกนพิกูุทั้งหลายจักษุเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยจักษุเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยจักษุเป็นของร้อนเวทนาคือความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปันจจัยแม้อันใดแม้เวทนานั้นก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไรร้อนพราะใครคืาคะเพราะใคือโทสะเพราะใคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำไรเพราะความรำพันเพราะความทุกข์เพราะความเจ็บใจเพราะความขับแค้นใจด้วยความิสุทธ์ั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเป็นของร้อนเห็นไหมให้รายละเอียดให้รายละเอียดเยอะแล้วก็เอาเอาสมุทัยศาสตร์กับทุกศาสตร์เนี่ยไปรวมกัน แล้วปกติจะมีน้อยนะฮะคือเมื่อพูดสมุทัยแล้วเนี่ยก็ถือว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นผลแต่นี่เอาเป็นเหตุด้วยกันถามมาร้อนเพราะอะไรร้อนเพราไฟคือราคาเพราะไฟคือโทสะพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศกเพราะความรำไรรำพันเพราะความทุกข์เพราะความใจใจเพราะความขับแค้งใจก็แสดงว่าคนฟังเนี่ยพื้นฐานพื้นฐานไม่เท่ากัน พระบรรญโยคยีเก่งกว่าทีนี้เรามาดูปุราณชจ ด, ดินกับพวกพระยศะะกับพระเจ้หายเราจะเห็นว่าปุรานา ด, ดินพื้นฐานสูงกว่าเพราะอะไรเพราะธรรมะยากกว่าแล้วก็แสดงทีเดียวในบรรลุมผลไปปรารหมดแต่พระย ะ, ะต้องแสดงสองครั้งต้องแสดงสองครั้งแล้วก็แสดงไตระดับขึ้นไปเพราะนี้สูตรกลุ่มนี้เราเห็นชัดเจน ว่าเป็นพื้นฐานที่แตกต่างพระปสาริบุตรจึงแสดงในลักษณะ เ, เรียกว่าปรับอัธยาศัยปรับปรับอะไรตัวนี้เราจะเห็นว่าปรับสัททินทรีกับปรับปัญญินรีหรือปรับศรัทธากับปรับปัญญาทีนี้ไอ้ศรัทธาเนี่ยถ้าท่านเชื่อในปสาริุตแล้วหรือตัวตัวสัททินสีเนี่ยท่านเชื่อในปสาษิปุตแล้วท่านเห็นว่าบิริยะคือมีความพร้อมที่จะฟัง เป็นความพยายามที่จะฝังสติตั้งใจคฝางเวลาแสดงก็จะมีสมาธิมั น, ม น, มนอินทรีย์ห้าจะขึ้นนะทีนี้ปั ญ, ปญหาต้องการปัญญียเนี่ยคือการพัฒนาปัญญาพัฒนาปัญญาก็ดูทิพย์ที่ภาวะดูทิพย์ที่ภาวะเพราะงั้นคําว่าอากุศลและรากเง้าวของอากุศลเนี่ยท่านจึงกระจายตัวอกุศลออกไปก่อน คือหมายความมาพูดตอนกิ่งก้านสาขาเกาะแล้วก็พูดตอนตอนกิ่งใหญ่สามกิง่งเป็นธรรมะที่เราคุ้นแสนคุนน่ น, นะฮะแต่พอก่ติปฏิบัติยากแสนยากแล้วฟังอลายเสียงธรรมจากมหาพิธาลศีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรูในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายดวยทั่วกันสวัสดี